ราปีนี้ทีมีกี่ชั่วโมงนะเราก็ต้องแยกย้ายกกัน <c oughs> ก็มีเรื่องเล็กๆที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังก่อนที่จะคืนสู่ภูมิลาเนาและชีวิตตามปกติของเรา ประมาณปีสามเก้านะหรือเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเรามาเคยไปเดินจ่ายเรือที่ประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาประมาณเนเจ็แต่วันเหมือนกับธรรมยาตราแต่ตอนนั้นยังไม่มีธรรมยาตราจุดหมายคือเมืองนากโนโนนากโนะนากกโน่นี่เป็นเมืองทางด้านทิศเหนือของโตเกียวภูเขาเยอะ มีพระพุทธรูปที่รัชกาลทีนะ่หมอบให้กับทางประเทศญี่ปุ่นประดิษฐานที่วัดแห่งหนึ่งนะในเมืองนากาโน่ที่ตอนครังนั้นเนี่ย <c oughs> ก็เดินกันไม่ได้มากนะก็มีพระญี่ปุน่นรูปหนึงคือท่านยูกิที่แล้วเกี่จะมีแค่ทีล้เกี่ยวจะมีค <c oughs> แมค่2รูป ตอนหลังเพื่อนชาวญี่ปุ่นก็มาร่วมเดินด้วยแล้วไปมาก็มีผู้สื่อข่าวทั้งหนังสือพิมพ์แล้วก็โทรทัศน์ของท้องถิ่นเขาก็มามาทำข่าวาก็คงเห็นเป็นเรื่องแปลกการจะเรื่องของพวกเรานี่มัน ต่างจากการจเรึกแสงบุญนะทั่วไปตรงที่ว่าแทนที่เราจะจารึกตามวัดหรือสถานที่สาคัญทงางศาสนาเราก็จารยกไปตามชุมชนคนไทยซึ่งมีอยู่เยอะนะตามปลายทาง <c oughs> ชาวคนไทยลนี้ก็ไปทามาหากินบางทีก็ถูกหลอกไปไป ขายตัวบ้างไปให้บริการทางเพศต้องแต่ที่ไปโดยสมัครใจก็มีก็ไปให้กำลังใจเขาเอาธรรมะไปให้เขานำไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตก็และไปตามรายทา ง, างนีดนะึงดยเพราะช่วงช่วงเพลงก็มีคนไทยเขามาถอยอาหารก็ได้พูดคุยกับเขา บางทีก็ตอนเย็นบางบางทีเคยไ ป, <c oughs> ไ, ปไปแสดงธรรมในเวลาคืนเนี่ยเวลาก็ทำงานกันด้วยซ้ำตอนที่จอเลยกไปนั้นก็มีาวญี่ปุ่นพอลูกข่าวนะจากนังสืบพิม์บ้างจากโทรทัศน์บ้างบางทีเขาก็เห็นเราเาก็ดีใจ บางคนก็ให้ขนมปังหรือว่าให้อาหารที่เขามีอยู่กับตัวเพราะว่าประเทนบินบาทของญี่ปุ่นนี่ยเขาก็ยังพอมีอยู่หลงเหลืออยู่บ้างแต่น้อยมากแต่เขาก็รู้ว่าหน้าตายขอยงเราเนี่ยก็รับอาหารบินทบาทก็เป็นเรื่องแปลกพาสุดท้ายนี่ใกล้ถึงนากาโน่แล้ว ก็มีรถคันหนึ่งในการที่เราเดินมาพื้บานเนี่ยก็มีรถคันหนึ่งด่นมาหน้าทางที่ปกทางพวกเราแล้วก็พอใกล้จะถึงพี่ผู้โดยสารในรถคันนั้นเนี่ยเปิดกระจกเขาก็เป็นเด็กอายประมาณสิบสองขวบพอใกล้ถึงเราเขาก็โผล่หน้ามาจากหน้าต่างรถ ที่แรกนึกว่าเขาจะจะว่าเพวกเราแตี่จริงไม่ใช่นะเขาตะโกนด่งๆมาทางพวกเราว่ากัมปาเตกัมปาเตนี่เป็นเป็นคำที่คนญี่ปุ่นคุ้นเคยมากพวกเราที่ดูการ์ตูนหรือว่าดูเรื่องยอดอมดแด ง, ดงต่างๆนี่ก็จะได้ยินคำนี้กัมปาเตก็คือก็มีความหมายว่าให้มีความเพียรพยายามให้อดทนให้สู้ ได้ฟังแล้วก็ประทับใจนะเพราะวันนี้เขากำลังอวยพรเราคนญี่ปุ่นนี่เวลาอวยพรเนี่ยเขาจะไม่อวยพรเหมือนคนไทยอวยคนไทยอวยเพราะว่าขอให้โชคดีนะพ่อแม่อวยพรลูกเพื่ออวยพเพื่อขอให้โชคดีนะแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาอวยพรว่ากํำลังเต็ก็คือว่าขอให้เปลี่ยนพยายามขอให้อย่าท้อถอยนะขอให้สู้ คนนี้เป็นพรที่สําคัญมากเพราะว่าพราะความเพียรพยายามนี่แหละที่ทําให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาสําหรับคนญี่ปุ่นความสําเร็จเกิดขึ้นมาเพราะความเพียรพยายามไม่ใช่เพราะโชคอันนี้ก็แปลงนะคนไทยเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะแต่และอวยพรโดยอาศัยโชคคนญี่ปุ่นนี่เขาห่างไกลกพุทธศาสนาไเยอะนะแต่ว่าสิ่งที่เขาอวยพรนี่มันตรงกับคติของ พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรคล้ายๆคำขวัญของโรงเรียนเก่า อ, อัตมาโรงเรียนเก่า อ, อัตมา เ, เาออมาป็นโรงเรียนคริสต์นะอสมชัก็จะมีคำภาษาละตินสั้นๆประดับไว้ที่ติดไว้ที่ตาโรงเรียนลาบอรอมเนบินชิตแปลว่าความเพียรหรือ กำลังงานลาบอก็เลเวอร์เนี่นะหรือความเพียรเนี่ยเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะหรือเพื่ อ, อนเอียนก็คือทุกสิ่งทุกอย่างชนะได้ด้วยความเพียรก็สอดคล้องคติของชาวพุทธนะมนุษย์ลวงทุกได้เพราะความเพียรและเพราะความเพียรนี่แหละนะที่ทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยมาถึงที่นี้ได้ ย้อนกลับไปวันแรกนะั้นที่เราออกจากวัดกูเขาทองนี่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าและหลายคนก็ไวตกกังวลว่าจะมาถึงที่นี่ได้หรือเปล่าแต่ว่าความเพียรที่เราทำในแต่ละวันในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมง ในแต่ละนาทีและความเพียรที่เรากระทำในทุกย่างก้าวในที่สุดก็พาเรากาถึงที่นี้ได้ระยะทางเกือบร้อยกิโลเมตรถ้านับเป็นก้าวก็เกือบสองแสนก้าใครที่ออกจับวัดปุกกทอมมาถึงตอนนี้ก็เรียกว่าเดินมาแล้วเนี่เกือบสองเกือบสองแสนก้าอาจจะมากก่อนนั้น ถ้ารวมการเดินนอกเส้นทางหรือการเดินหลังจากที่เรามาถึงที่หมายแล้วสองแสนเก้านี่ไม่ใช่น้อยเลยนะแต่สองแสนเก้านี่เกิดขึ้นได้เพราะความเพียรของเราแล่ที่จริงแล้วเนี่ยทั้งหมดนี่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่เริ่มต้นจิตเก่าแล ก้าวแรกที่ว่าบกเขาทอ ง, งเมื่อเริ่มต้นขึ้นแล้วและถ้าเราเดินไม่หยุด <c oughs> ก็จะถึงที่หมายอย่างที่เราได้มาถึงตั้งแต่เมื่อ ว, วานนี้ <c oughs> ข่อราเห็นคุณค่าความสาคัญของความเพียร เหมือนอย่างที่พระมาชนกไนี่พูดกับนางวันี้เนี่ขลาว่าที่ว่ายน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนทางที่หมอไม่เห็นฟังเลยก็เพราะเห็นประโยชน์ของความเพียรท่านพูดเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อทำความเพียรอย่างสุงที่สุดแม้ตายไปก็ไม่ถอาเป็นหนี้ใครแล้วก็เทวดาหรือมนุษย์ทั้งหลายก็ตาหนิไม่ได้ สำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่สําคัญอันนั้นเป็นเรื่องรองแต่ว่าสิ่งสําคัญกว่าคือความเพียรพยายามเราได้ทํางสที่สุดแล้วคนส่วนใหญ่ไปให้ความสําคัญกับจุดหมายคือความสําเร็จแล้วก็ทํายังไงก็ได้เพื่อจะให้ถึงความสําเร็จนั้น และถ้าไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามเลยแต่ทำให้ถึงความสำเร็จนั้นได้ก็เอาเ <c oughs> ช่นบางคนอยากได้ปริญญามากแทนที่จะเพียรพยายาม <c oughs> ก็กลับใช้วิธีอื่นเช่นใช้วิธีอ <c oughs> ขอเกรดขอเกรดจากอาจารย์ ว่าให้คนจ้างทําวิเทยรนิพนธ์เดี๋ยวนี้การรับจ้างทำวิทยานิพนธ์นี่มันระ บ, บาดไปทั่วแล้วก็ขยายไปจนเครืงรับจ้างทํากันบ้านให้ผ่านเว็บไซต์ี่มีเว็บไซต์เป็นแสนเลยนะที่รับจ้างทํากันบ้านให้ตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมต่อบป เรียนทำรับจ้างทํากันบ้านให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลด้วพรามันเริ่มต้นมาจากหมาหาวิทยาลัยนรับจ้างทําิทยานิพนคนรับจ้างทํารายงานเริ่มจากอุดมศึกษาแล้วก็ค่อยๆลงมาถึงมัธยมนะตอนนี้ก็ปถมแล้วคนหนักมาแล้วนะยอมขายตัวเพนะื่อกเปอันนี้เรียกว่ามุ่งเอาความสําเร็จนะแต่ว่าไม่สนใจวิธีการจะใช้ทางรัดยังไงก็ได้ ที่แน่คือว่าทำงานก็ได้ขอให้ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามนักการเมืองนะก็คิดแต่เพียงว่าทำงานจะได้เลือกตั้งได้รับการเลือกตั้งโดยที่ไม่สนใจว่าจะใช้วิธีการใดนักธุรกิจก็สนใจแต่ว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จได้เงินได้กำไรโดยที่ไม่สนใจว่าจะใช้วิธีการใดขอให้ไม่ต้องเหนื่อยก็แล้วกัน มีผู้คนยิ่งกลัวความเหนื่อยยากกันมากเดีวชอบพวกนี้นะเราให้ความสำํำคัญกับความเพียนพยายามมองเห็นความสําเร็จหรือไม่ไม่สําคัญแต่ขอให้เพียนพยายามแม้ไม่สําเร็จนะก็ก็กยังภาคภูมิใจว่าเราได้ทําแล้ว เมื่อสักห้าปีก่อนมีได้ฟังเรื่องราวของคุณป้าชาวเกาหลีคนหนึ่งเคเป็นแม่ค้าขายผักแล้วแกต้องต้องมีการขนส่งผักไปให้กับลูกค้าตามร้านแต่ก่อนแกคงมีคนขับรถนะแต่ต่อหลังหาคนขับรถยากหรือยังไม่ทราบหรือว่าคงเหมือนกับคนไทยที่หาคนเลี้ยงลูกได้ยากแกก็เลย ค, ค, คิดว่าเนี่ยฉันขับรถเองดีกว่า แต่แกขับรถแกก็ต้องมีใบขับี่ภาคปฏิบัติแกสอบได้แต่แกมีปัญหาเรื่องสอบอข้อเขียนตอนที่ได้ยินข่าวแกประมาณเดือนกุมภาห้าสองเนี่ยมันเป็นข่าวพวกแกสอบมาแล้วเจ็ด้เจ็ดสิบห้าครั้งแต่ไม่ได้ข้อสอบมีห้าสิบข้อถ้าแกสอบได้สามสิบข้อแกก็ผ่าน แต่แกสอบไม่เคยได้ถูกถึงสาสิบข้อเลยมาได้ข่าวขีกิดเดินอนอพุทธจิปีห้าสองนะตอนนั้นก็ใกล้จะคบใกล้จะเดินธรรมยานตราครบสิบปีพอดีทั้งฟิสิกส์แกสอบได้แล้วนะหลังจากที่สอบมาแล้วเก0รอยห้าสิบครั้งขนาดใบขับขี่นะแบบนี้มันไม่มีในเมืองไทยนะไม่มีทางเลยเพราะว่า ถ้สอบสามครั้งไม่ได้ก็ใช้วิธีอื่นละหรือบางทีไม่ต้องสอบเลยก็เราก็ใช้วิธีทางรัดนะทางรัดมีเนี่ยถ้าไม่ใช้เงินก็ใช้เส้นซื้อใบขับขี่บ้างหรือไม่ใช้เส้นใช้เส้นจากพ่อที่เป็นตํารวจใช้เส้นจากพ่อที่เป็นผู้พิพากษานะยืน่นนาบัตรให้เดี๋ยวก็ได้ใบขับขี่แล้ว ดังนี้ความเพียรจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อมันมีทางรัดพวกคนก็นิยมทางรัดกันทั้งนั้นเลยยกเว้นธรรมยถาตรานี่ไม่ค่อยชอบทางรัดนะชอบทางอ้อมนะเพราะเราเน้นเรื่องความเพียรนะ <c oughs> คุณป้าคนนี้นี่นแกเพียรพยายามมากส่วนหนึ่เพราะว่า มันไม่มีวิธีอื่นแกจะใช้เงินซื้อใบยับขี่ก็ไม่ได้แกใช้เส้นก็คงทําไม่ได้ในประเทศเกาหลีแต่ว่าแค่นั้นคงไม่ใช่เหตุผลอย่างเดียวนะแกมีความเพียรมากและความเพียรงแกเนี่ยนะคะือพระมหาชนกหรือว่าคือสำเร็จใน่สำเร็จแ ส, จสงก็พยายามทำให้ได้คือถ้าแกมุ่งมั่นจะทํามุ่งมั่นจะให้ได้ไปกับขี่นี่นะ แกสอบร้อยครั้งแกไม่ได้หรือแกสอบแค่ส0บครั้งแกไม่ได้แกคงทอนะพอยิงมุมมันเท่าไหร่ก็ยิงท้อแท้ได้ง่ายเท่านั้นยิง่งยิ่งจดจ่อยอยู่กับความสำเร็จมากเท่าไหร่โอกาสที่จะท้อแท้เมื่อทำไปได้ไม่กี่ครั้งก็มีมากแต่แกคงจะไปเพ่อว่าอขอให้ได้เพียรพยายามนะแลวแกคง ม, มีการปล่อยวางในระดับ ปล่อยวางคือได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะก็ชัยก็จะทําไปเรื่อยๆคนที่จะสอบเกือบพันครั้งเนี่ยโดยที่ไม่ยอมเลิกเนี่ยนนอกจากมีความเพียรแล้วนี่ต้องรู้จักปล่อยวางระดับนึ่งพอาํามุ่งมันเอามุ่งมั่นในชัยชนะแล้วเนี่ยมันจะทําไม่ได้นานในสุดก็จะต้องท้ออันนี้ก็เป็น ถ้าหอนแบบอย่างที่ดีนะว่านะความเพียรพยายามนี่เป็นสิ่งสําคัญมากแล้วเราควรจะมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เราก็ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเรามีความเพียรพยายามไม่น้อยทีเดียวสองแสนเะก้าที่เราเดินมามันได้บอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราแล้วก็เกี่ยวกับพวกเรา ซึ่งเชื่อว่ามันคงจะไม่ยุติเพียงเท่านี้ธรรมยาราถาธรรมน่าจะเสร็จสุดวันนี้นะแต่ว่าเราสามารถจะทให้ชืวิตของเราเนี่ยเป็นธรรมยาราได้ชีวิตคือการเดินทางอันนี้เราคงจำสำนวนนี้ได้ชื่อตคือการเดินทางแล้วก็เป็นการเดินทางที่ยาวไกลกว่าธรรมยารา ที่เราเพิ่งที่กาลังจะเสร็จเส้นนี้ด้วยมันยาวไกลหลายปีเรียกว่าช่วยช่วยชีวิตทีเดียวแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันก็เหมือนการเดินทางแต่และนาทีแต่และทีก็เหมือนการย่างก้าวแล้วก้าวเราเราสามารถทาให้ชีวิตเราเป็นธรรมยาราได้ถ้าว่าเรานำธรรมะไปใช้กับการดําเนินชีวิตของเรา เมื่อการดำเนินชีวิตองเราเนี่ยมันประกอบไปได้ทําและเป็นไปเพื่อทำอันนั้นก็เป็นธรรมญาติตรานะให้การชี่ิของเราเนเป็นไปเพื่อทำเช่นเพื่ออย่างเช่นเราเป็นธรรมญาติตราเพื่อธรรมชาติเราก็พยายามที่จะให้การดําเนินชีวิตเราเนี่ยมัน เป็นเรื่องเดียวกันด้วยก็คือดำเนินชีพเพื่อดำเนินชีพด้วยความอ่อนน้อมต่อธรรมชาติสำนึกในบุญคุณของสรรพสิ่งไม่ว่าภูเขาป่าไม้ลำนาไพรอย่างที่เราได้อธิษฐานได้ภาวนาทุกวันก่อนเดินทางต่าว่าเรากลับไปที่บ้านกลับไปที่ทำงานแล้วเนี่ยเราก็ยังระลึก สำนึกในบุญคุณของธรรมชาตนะิแล้วก็อ่อนโยนอ่อนน้อมต่อต่อสรรพสิ่งมันก็เท่ากับว่าเราการเดินธรรมยราของเราก็ยังไม่เส้นสุดแต่ว่าทอดยาวไปเบื้องหน้าแต่ธรรมยรานะนอกจากทาเพื่อธทมแล้วนะก็ยังทาเป็นการเดินด้วยธรรมะด้วย นั้นถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยธรรมะก็คือดำเนินชีวิตด้วยความเพียรพยายามนะแล้วก็ด้วยสตินะด้วยสัพพัญญาความรู้สึกตัวท่นนี้ก็เท่ากับว่าเราอย่างดำเนินธรรมญาตราต่อไป ความรู้สึกดีๆประสบการณ์ดีๆนะที่เราได้มาด้วยความยังลำบากตลอดเจ็ดวันแล้วก็เราก็ได้มาคร้ครวนแบ่งปันตอนเมื่อวานนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายมากและที่จริงแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายอย่างที่รอการกลั่นกรองรอการใคร้ครวนจากเรา เจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเต็มไปด้วยประสบการณ์มากมายที่เก็บเกี่ยวหาบทเรียนได้ไม่จบไม่สิน้นพูดอย่างนั้นได้ทีเดียวมันเหมือนขุมทรัพย์นะซึ่งถ้าเราถ้าเราคนหายดีก็อาจจะพบอริยทรัพยนะ์เช่นถ้าเราเห็นว่าสติเป็นสิ่งสำคัญ การอยู่กับปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญแม้จุดหมายจะอยู่ไกลแค่ไหนใจเราก็อยู่กับปัจจุบันไม่ว่างานมันต้องใช้ความเพียรพยายามอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะสำเร็จแต่ว่าเราก็จะไม่กังวลกับจุดหมายปลายทางข้างหน้าเราจะทำวั น, นให้ดีที่สุดเราจะทชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุด เราทำทุกวินาทีให้ดีที่สุดเหมือนกับที่เราบอกว่าจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้าจุดหมายที่ปลายเท้าจุดหมายอยู่ที่ก้าวเท้าอยู่ที่การย่างก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวธรรมาเชื่อเลยว่าถ้าเรารู้จักนนอนใจให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําความเพียรในจุดความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่ความยะลลำบากนะที่เกิดขึ้นกับเราทั้งอากาศร้อนทั้งความหนาวทั้งความหิวหรือว่าความอดทนหลายอย่างเนี่ยคงจะหาไม่ได้คงจะหาไม่ได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันเพราะว่า เรามีโอกาสที่จะหลบจะหลีกจะหนีจะเลี่ยงนะแต่ว่าประสบการณ์ที่เราได้พบเนี่ยนะถ้าหากว่าเราลองมาใคร่ขวดก็จะพบว่าความสุขนี่มันไม่ต้องอิงวัตถุ ก, ก็ได้นะแม้ว่าลำบากกายแต่ว่าใจเบิกบาน ใเป็นสุข <c oughs> ธรรมยาตตานีนะ่มันสามารถจะเปิดเผยให้เราเห็นความจริงอย่างนี้ว่าความสุขมันอยู่ที่ใจและความสุขที่ใจนี่แหละที่เป็นสิ่งที่มีค่ามากหลายคนกนะ็ประสบความสุขในชีวิตนะแต่ว่าเขาไม่มีความพึงพอใจหรือความสุขใจเลย อย่างที่เล่าเนี่ยเมื่อวานนี้ออรังเซปเนะซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจครอบครองประชากรถึงหนึ่งในสี่ของโลกหรือว่ามาคกสซึ่งเป็นประาธาทิบดีเรียกว่าแทบจะตลอดการาก่อนเทียบถูกคนล้มไปพวกนี้เขามีทุกทกสิ่งทุกอย่างเขาเขาคิดว่าเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ปุะุชนต้องการแต่ว่าเขาก็ไม่มีความสุข เพราะว่าเขาขาดบางเขาขาดสิ่งหนึ่งไปเือความสงบเย็นในจิตใจเมื่อ ม, มีความสงบในจิตใจแล้วเนี่ยชีวิตมันก็จะดูคล่องตลอดเวลาไม่ว่าจะมีแค่ไหนก็ยังรู้สึกคล่องแต่ความสงบใจนี่มันทําให้เกิดความสุขที่เทียงแท้ที่แท้จริงแล้วเราก็สามารถจะ สัมผัสหรือเข้าถึงได้ไอความสงบเย็นหรือความสุขใจเนี่ยนะมันอย่างที่ว่าไว้มันไม่ขึ้นกับมันไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งเสพทรัพย์สมบัติแล้วก็มันไม่ได้แปลว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราถึงจะมีความสุขใจความสงบเย็นได้ชีวิตเราเนี่ยนะเราเราเลือกไม่ได้นะว่าชีวิตเราเนี่ยต้องรับรื่น หรือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราก็เหมือนกับธรรญาตราเนี่ยเส้นทางที่เราเดินเนี่ยบางครั้มันก็มีบรรยากาศชวนรื่นรมอย่างเชาวันที่ห้านี่ก็หลายหลายคนก็ชอบมาก เ, เดินได้อย่างสบายทิวทัศน์ก็งดงามแต่พอตกกลางวันเท่านั้นเนี่ยมันก็ร้อนแดดเปรี้ยงทางไกลแล้วก็เจอ ตอนเ้าก็เจอสิ่งที่ไม่คาดฝันเดินดีๆทางก็งอกขึ้นมาสิบกิโลอย่เงี้ยเชื่อเป็นจริงๆนะช่วยจริงอาจจะยิ่งกว่านี้นะถ้าเดินทางต่างเราถึงอย่างน้อยเนี่ยยังปลอดภัยไม่มีใครเจ็บไม่มีใครป่วยเท่าไรแต่ในช่วยจริงเนี่ยมันก็ถึงคราวที่เราต้องเจ็บต้องป่วยแบบหนักแบบเทียบหนักมยาตาคราวนี้ไม่มีความสูญเสียอะไรมากเท่าไหร่ ในเงียทรัพย์สินเงินทองแต่ว่าในชีวิตจริงเราต้องสูญเสียไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองเท่าแต่คนรักดย้ยแต่แม้กระั่นั้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมีความปกติหรือว่าความสุขใจได้อันนึงก็สิ่งหนึ่งที่เราน่าจะเรียนรู้จากธรรมญาตรากคือว่าแม้ว่าเจอทุกข์นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์นี่ทําได้ เรเจอทุกเนะี่ยทุกคืออะไรทุกก็คือความยากลาบากความทลาพาดสูญเสียความเจ็บความป่วยนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าใจเราต้องเป็นทุกเสมอไปเจอทุกแต่ใจไม่ทุกก็ได้หรือว่าเราสามารถจะอยู่ความความทุกได้อย่างปกติหรือว่าอย่างอย่างมีความสุขอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยพู้มีปัญญาแม้ ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบเนี่อันนี้เป็นเป็นวิชานะที่สำคัญนะที่เราสามารถจะนำไปใช้กับชีวิตของเราได้แล้วถ้าเราทำอยางนี้ได้เนี่ยนะแม้ธรรมญาตาแม้ชีวิตของเราจะไม่ราบรื่นนะแต่ว่าเราก็ยังสามารถจะมีความสุขความสงบเย็น แล้วก็เป็นไปได้ว่าเราสามารถที่จะสงบเย็นเบาสบายอย่างที่เรารู้สึกเมื่อวานนี้ที่พาสิวิไลนะอันนี้เป็นความสงบเย็นเพราะธรรมะแล้วก็น่าจะเป็นจุดหมายอย่างหนงของชีวิตเราท่าเจ้าพุทธทาสเคยกล่าวว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ สงบเย็นเนี่ยเป็นเรื่องภายในส่วนเป็นประโยชน์นี่ท่านหมายถึงการทําการบําเพ็ญตนเกื้อกูลเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่อย่างธรรมญาตราก็พยายามเจริญรอยตามที่ท่านอจารพุทธาบ้านนะคือว่าทําประโยชน์กับผู้อื่นด้วยและขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งประโยชน์ตนก็คือ ขณะที่เราเดินเพื่อธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมใจเราก็สงบด้วยจริงๆอันนี้ก็เป็นคําสอนของพุทธเจ้านะคือว่าต้องให้ทําต้องให้สําทรในทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเกิดประโยชน์ส่วนรวมแล้วประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ตนในที่นี้เนี่ยท่านหมายถึงความเจริญงอก ง, งามในจิตใจเป็นสําคัญนะครับถ้าหากว่าเราสามารถจะทำให้ชิงเราเนี่ยมันเป็นไป อย่างครบทั้งสองประการคือว่าสงบเย็นที่ใจแล้วก็ทำตนให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนี่นก็ถือว่าเราก็กำลังยังเดินอยู่บนเส้นทางของธรรมญาตรายอยู่เราทำกิจแล้วก็ทำจิต ด, ด้วยนะทำกิจไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูครอบครัว หรือแม้แต่การทำมาหาเลงชีพการสงเคราะห์ดูแลครอบครัวหรือว่าการทำประยชให้กับสังคมชุมชนประเทศชาติแล้วก็โลกอันนี้เรนี่เราเป็นการทำกิจที่ต้องคู่กับการทำจิตนะทำจิต ก, ก็คือทำใจนี่แหละให้มันสงบเย็นอุปสรรคมากมายแค่ไหนใจก็สงบได้ รวมไป็นการปล่อยและจะสงบได้เพราะรู้จักปล่อยวางปล่อยวางอย่างที่เราเดินถ้าเราปล่อยวางจุดหมายปลายทางเราลืมจุดหมายปลายทางชั่วคราวแล้วอยู่กับการเดินแต่ละขณะแต่ละขณะอันนี้ก็เจะเป็นการทําจิตอย่างหนึง่งเราก็จะสามารถจะทำจิตได้อย่างยั่งยืนไม่ท้อไม่ถอยคุณป้าชาวเกาหลีคนที่ว่านี่แกก็ทําจิตในระดับหนึ่งนะ แกถึงไม่มีความท้อถอยในการสอบใบคับคีร์ทาทำกิจกับทำกิจที่สำคัญเมื่อเราทำถูกนะก็จะเกิดความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ถ้าเราทำนี้ได้ก็ถือว่าเราได้ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามคมสอนของหลวงพ่อคำเขียน หลวงพ่อท่านเน้นอยู่เสมอนะเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องการมีสตินะให้รู้กายรู้ใจในในปัจจุบันขณะและการรู้การรู้ใจเนี่ยที่มั น, นทำให้ปล่อยวางได้และทําให้เกิดทำให้ใจทําให้เกิดความสึกตัวขึ้นมาแล้วพวกเราถ้าว่าเราถือว่าเราเปศิษย์มีครูนะเราก็ต้องพยายามทําความสึกตัวให้เกิดเป็นอยู่เสมอ มีสติในทุกอิรืยองปวและเมาถึงอะไรที่ต้องเดินก็ให้มีสติในทุกอย่างก่าอันนี้ก็ถือว่าได้เป็นการบูชาครูแล้วก็เป็นการตอบแทนคุณไปในตัวด้วยไม่อตอบแทนคุณครูเท่านั้นตอบแทนคุณธรรมชาติด้วยเพราะถ้าเรากินอาหารที่มีสติเราใช้ชีวิมีสติด้วยความสึกตัวนี่เราจะเผาพลานทรัพยากรธรรมชาติน้อยมาก เราจะอ่อนโยนต่อธรรมชาติต่อสรรพสิ่งมากทีเดียวนะตอนนี้พระจันทร์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วแต่ว่าในเวลาเดียวกันภาะอทิ่ก็กำลังจะขึ้นธรรมยาติตาก็กาลังจ ะ, ป, จะปิดฉากลงนะแต่ว่าวันใหม่ของเราก็กาลังจะเริ่มต้นขึ้นก็ขอให้วันใหม่ของเรานะเป็นวันที่สว่างสวย เปนกาที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอีกกี่ากนาทีข้างหน้าให้การกลับไปของเรากลับไปยังบ้านกลับไปภูมิลำนาวนนะเป็นการกลับไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่ผ่านมาอาจจะดีแล้วแต่ว่าอาจจะ เต็มไปด้วยความเหนื่อยความยากความทุกข์ใจความลัดกุ้มความขับแค้นใจนะแต่ว่าเราสามารถจะมีชีวิตใหม่ได้แม้ว่าเรายังอยู่ในอาชีพเดิมที่ทำงานเดิมครอบครัวเดิมรถคันเดิมบ้านหลังเดิมแต่ว่าจิตใ จ, จเราจะใหม่ได้ ใเบาผ่อนคลายนะสงบเย็นนะเพราาเราเอาธรรมะนำมาใช้กับชีวิตแล้วก็หวังว่านะเดินธรรมยานตถาทีผ่านมาก็คงจะทำให้เราได้เห็นธรรมะบางข้อบางแง่แล้วก็ได้วิชาบางอย่างกลับไปใช้กับชิอของเราเพื่อทำให้ชีวิตของเรา จากนี้ไปเป็นชิตใหม่เหมือนกับว่าเราได้เริ่มต้นวันใหม่ก็ท้ายสุดนี้นะก็ขออ้างคุณภรรตนัไตรนะอำนวยอปุปเลยทุกท่านทุกคนได้มีอายุวันณัสุขภัละเพื่อเป็นปัจจัยให้เรามีความมีกำลังในการทำความดีในการปริเวณความเพีย ให้เกิดทั้งให้ถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านบอยธรรมาที่เราได้พบระบิเพลนําพาความสงบเย็นมาสมู่จิตใจแล้วก่อประโยชน์กว้างขวางแก่เพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ให้ปัญญาที่ังเกิดขึ้นนะจากการปฏิบัติของเรานําพาจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ก้าวเข้าอุปสรรคทั้งปวงเข้าถึงความสุขเกษมสาร มีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทินเทียกับงค์สมมาสมพุทธโอพะพาวาพุทธังพระพวันตังอนิวาสิสวัสโตพะพาวัธมโมธรมานรี วุติปันโนพระ ภ, า, ภ, า, ภ, า, ภ า, าวะโตสาวกสังโฆสังฆนิมมา